1.18 จุ 1> 1. วิเศษลักษณะและสามัญลักษณะวงเล็บเปิดสาสิบธันวาคม2549น้าจุดจุดนาทียี่สิบวงเล็บปิดมีที่นี่ที่เดียวสอนแบบนี้สอนให้ดูสภาวะจริงๆเลยนะพอดูตามไม่หัวดื้อ ม, มากเกินไปดูตามไปแผลปเดียวก็เข้าใจแล้วพอเข้าใจสภาวะที่สอนให้ดูเป็นตัวอย่างต่อไปก็เข้าใจสภาวะตัวอื่นมันเข้าใจมากขึ้นมากขึ้น ต่อไปสติจะเกิดถี่บเลยเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยจะกระดุกกระเดกเลี้ยวซ้ายแลขวาก็รู้สึกตัวหมดเลยสติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดสติเป็นอนัตตาฉะนั้นเมื่อใดจิตจำสภาวะได้สติก็จะเกิดมาเรียนที่หลวงพ่อหลวงพ่อจะสอนเรื่องสภาวะทั้งนั้นเลยสภาวะของรูปธรรมนามธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะบางคนเป็นคนช่างสงสัย ก็หัดรู้ความสงสัยบางคนขี้โมโห О, ก็หัดรู้ความขี้โมโหบางคนชอบใจลอยก็หัดรู้ความใจลอยไปตัวไหนมีบ่อยๆก็หัดรู้ตัวนั้นแหละบ่อยๆพอได้ตัวหนึ่งแล้วต่อไปก็จะเข้าใจตัวอื่นๆด้วยจะเห็นเลยว่าความใจลอยกับความโกรธก็คนละอันกันคนละแบบความใจลอยก็มีลักษณะเฉพาะของมันความโกรธก็มีลักษณะเฉพาะความสุขความทุกข์ก็มีลักษณะเฉพาะ เราจะเห็นลักษณะเฉพาะของสภาวธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างลักษณะเฉพาะของสภาวธรรมแต่ละอย่างมีชื่อภาษาแขกเรียกว่าวิเศษลักษณะวิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษเฉพาะตัวภาษาไทยคือพิเศษนั่นเองลักษณะพิเศษเฉพาะตัวโลภก็มีลักษณะของโลภโกรธก็มีลักษณะของโกรธเย็นร้อนอ่อนแข็งก็มีลักษณะของเขา ทีนี้ถ้าเมื่อใดจิตของเรามีสติไปเห็นลักษณะของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเห็นตัวสภาวะแต่ละอย่างขึ้นมาสภาวะเหล่านั้นจะไม่มีความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความเป็นตัวตนเกิดจากการที่เราหลงไปเราไม่เห็นลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษแล้วเราก็ไม่เห็นสามั ญ, ญลักษณะคือไตรลักษณ์ฉะนั้นเบื้องต้นหัดรู้ลักษณะเฉพาะหรือรู้จักสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปเรื่อยๆนะหัดรู้จักสภาวะไป ต่อไปสติเกิดขึ้นมาจะเห็นเลยสภาวะแต่ละอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าดูมันจะเกิดปัญญาปัญญาก็คือการเห็นไตรลักษณ์นั่นเองมันจะรู้เลยว่าสภาวะทั้งหมดเกิดแล้วก็ดับสภาวะทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราถ้าเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวงลงเป็นไตรลักษณ์จะได้มรรคผลนิพพานไม่นานหรอก